อตอนนี้ก็ทำบ่ตอนเย็นจบเราก็ฟังคาพูดต่ อ, อประมาณครึ่งชั่วโมงคนที่เพิ่งมาใหม่ๆก็มีสมาธิกับการฟังไปก่อนกลุ่มลงทะเบาลบอใหญ่ที่เราเจริญสติกันอยู่ก็เหมือนเช่นเคยทุกวัน แล้วก็กำหนดจิตกำกับจิตชุดหน่อยให้อยู่ในกรอบของปัจจุบันจะได้หมอะกับการทำหน้าที่เหมาะ ก, การทำงานงานชิดนี้ชื่อว่ากรรมาฐานมีสติรูร้ความรู้สึกตัวเสียงกระทบก็รู้สึกตัวกลุมากระทบต่างตาก็รู้สึกตัว สมุได้กินลิน้นรสกายสัมปัติ์กายคิดไม่ปรุงแต่งธรรมอารมณ์ภาษาศาสหนรียว่ารูปรสกลิ่นเสียงโพธัพพะแล้วก็ธรรมอารมณ์ฟังใหม่ๆดูดย่าฟังยากๆอยู่แต่่าฟังไปฟังไปบวกกัรกระทั่งคุ้นพอเราก็จะเห็นตัวเราอยู่ทุกๆกัขณะธรรมชาติ ที่ปัจจบันกันนะเรามีสติดูอยู่แล้วลรู้อยู่ก็เห็นกายใจของเราตามความเป็นจริงเห็นอาการต่างๆตางตาความเป็นจริงคืนนี้แหละคืนนี้แหละเป็นคืนที่จะใช้ยศรีษะค้นพบค้นพบในคำตอบที่เดียวหายสงสัยในเรื่องของพระวิสาสนายามหนึ่งยามสองแล้วก็ยามสามยามสามนี่ มันรู้อาชอกอายันเราเคยได้ยินได้ฟังม า, างั้นอะยาม 2. จูตุปฏิยานยามนึ่งบุพเพนิวาสานุสติยานในความหมายของการปฏิบัติที่เป็นอาการปรากฏให้เราได้สัมผัสก็คือมันคิดแปลเดชอะเป็นลนักษณะของบุพเพนิวาสานุสติยานมันคิดไป เมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมปีที่แล้วตอนเด็กอย่างนีน้มันก็ผุดเกิดขึ้นมาความคิดคือว่าอารมณ์ที่เคยผัสทัศแสดงตัวออกมาให้เราได้เห็นเราก็ไม่ได้คิดถึงความสุขในอดีตด้วยความอารายาวอ์เราไม่ได้คิดถึงการพัดพลากจากคนรักด้วยความอารัยอาวอ์ ทีปู่ย่าตาทวเสียชีวิตบางทีก็คนรักจากไปมันก็เลยเลิกนึกถึงแต่ว่าลึกนึกถึงเนี่ยมีสติไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นความอะลัยอวรนแต่มันรู้ว่าหอมีร่องรอยของอดีตเฉยๆมันเป็นร่องรอ ย, อยที่ไม่ใช่การยึดการติดมันเป็นร่องรอยของประสบการณ์ ที่ควรมันผ่านอะไรมามันก็ประทับใจเอาไว้สติรูร้รู้ความคิดทิ่มปลากดสมาธิระณะมันจะรู้ทันทันทีว่าควรคิดไม่ควรคิดอย่างไรมันก็จะได้เห็นความคิดอันนี้เป็นประโยชน์ทีเดียวหรือบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นความกังวลไปในอนาคตอย่างเช่นว่าเวลาเรายกมือปฏิบัติธรรมเนี่ยผนละมันตั้งเขามา ยังไม่ตกกันนะ่ย แ, แค่ตังเขามาแล้วก็เราก็สัมผัสอากาศที่มันร้อนอา้อาวๆก่อนฝนตกเงาที่มันล่มมันมืดลงมืดลงสรุปเราก็นึกไอ้ปากผ้าไว้อันนี้มันเป็นรอยไม่ได้หมายถึงว่าความกังวลหรอกนะหมายถึงว่าอ๋อมันมีอะไรให้เราได้ระลึกนวก็จะทําอะไร อีกวิา น, า ท, า, น, า, นาทีข้างหน้านาะทีข้างหน้าเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่กลุ่ความกังวลเป็นหน้าที่ฝนตกก็ต้องดูอะไรได้ประโยชน์อะไรเสียประโยชน์ปากพลิกไว้อย่างเงี้ยจะปล่อยมันเปียกฝนมันก็งโงล่ละรั่วปล่อยให้หลังคามันรั่วมันก็งโง่ละมาต้องปกปิดอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่เป็นไรนไม่ใช่ว่ากังวลแต่ว่าถ้ามัน เก็บเรียบร้อยแล้วของเราเก็บเรียบร้อยแล้วห่วงชาวบ้านเขาอีกเนี่ยอันนี้เป็นความกังวลแล้วนะไปห่วงใ ย, ยเมตตาก็คือตัวเรามันก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่เราแก้ปัญหาเราได้แล้วยังไปแก้ปัญหาให้คนอื่นต่ออีกเนี้ยในช่วงของการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องเหมือนกับว่าเรารู้เราเราก็รับผิดชอบของตัวเราต่างควนต่างรับผิดชอบตัวเองอันนี้มันก็จะจบ ของใครของเราง่ายๆกันเป็นความบ่มเรื่นเป็นความสะดวกเป็นความงดงามอะไรมันก็ดูเรียบร้อยสะดวกเพราะว่าทุกคนร่วมกันรับผิดชอบตัวเองอย่างนะั้นเป็เวลาปฏิบัติธรรมมาจะเห็นว่าคิดอดีตก็มีคิดอนาคตก็มีมันมาในกับดีด้วยดีตรงที่ว่าสติเราจะรู้เลยว่าจุดกําเนิดของความคิดสมมติฐานการคิดนั่นอยู่ตรงไหน เวลามันคิดกระบวนการคิดเนี่ยมันหลงเผลอไปคิดมันคิดอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นนักกรรมฐานเนี่ยขาดทุนตั้งนั้นเลยมันจะขาดทุนไม่ว่าจะคิดอะไรมันก็เสียเปรียบตลอ ด, ดวลเวลาเลยก็คือมันจะเข้าไปในความคิดแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องเลเ็กเรื่องใหญ่นี่ะคิดแล้วก็ปรุงแต่งจะเป็นความโลภความโกรธความหลงใหม่เอาปัจจุบันไปทุกเอาอาดีตมาทุกเอาอนาคตมาทุกเนีย คิดอดีตปัจจุบันอนาคตทุกได้หมดเลยแต่ถ้ามีสติคิดอดีตมันก็รู้สึกตัวคิดปัจจุบันก็รู้สึกตัวคิดอนาคตก็รู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวรู้ว่าคิดอยู่รู้ว่าคิดจนทั่งมันรู้เท่ารู้ทันจนความคิดมันอ่อนตัวไปเพราะว่ามันไม่รู้จะคิดไปทําไมเมื่อก่อนคิดเราเคยให้เชื้อให้ค่าให้คุณค่ารวมด้วยช่วยกันชอบหลงเผลอเข้าไปหลงเพล้าไปหลงเผลอเข้าไป คิดขี้เลื่มก็หลงด้านั้นคิดสุขมันก็ยิ้มคิดทุกข์ก็หน้าเครียดคิดแล้วก็รู้สึกว่ามันขำหัวลอกออกมาเหลือเกิเฮฮาแต่ตอนนี้กลายเป็นรู้สึกตัวคิดอะไรก็ตามก็เป็นความรู้สึกตัวกลับมารู้สึกในการเคลื่อนการไหวนะเบื้องต้นทีเดียววิชากรรมาฐา น, นเพราะฉะนั้นถ้าคิดแล้วเป็นความกังวลให้รู้ว่าไม่มีสติแล้ว จะคิดแล้วเป็นความห่วงใหญยอะไรอาวรนะครับแสดงไม่มีสตินะคิดแล้วก็กลายเป็นเรื่องของต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้กกลายเป็นเรื่องของปัญหาละปัญหามีแต่ต้องต้องต้องต้องต้องต้องทำอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราต่างกวนต่างสรุปจับประเด็นว่าความรู้สึกตัวเกิดจากกายเคลื่อนไหวคืออะไร อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรละเป็นความขยันที่เราจะต้องขยันเคลื่อนไหวอยู่เสมอเป็นเทคนิคปฏิบัติรู้สิ่งใดรู้ยิ่งจะสิ่งเดียวฝึกให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผดแล้วก็รู้การเคลื่อนการไหวอันนี้เป็นความเพียรไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่เป็นความเพียรที่เราจะต้องเพียรรู้รู้สึกตัวมีฉันทะมีความพอใจที่จะทํา มีความเพียรที่จะทำเรียกว่าอาตาปีสัมปชัญญโจติกมาวิเนยยะโลเกะวิชาโธมณทสังนันเป็นความเพียรที่เพียรรู้และรู้ถูกด้วยมันรู้ถูกด้วยมันรู้แบบวางกายวางใจดีๆมันทําเป็นนะนะกรรมฐานมัฝึกแล้วมันทําเป็นขับรถแล้วมันขับเป็นไม่เกกไม่เกรงอย่างเงี้ยมันรู้สึกขับไปได้เรื่อยๆขนาดนึงก็เคลื่อนไปขนาดนึงก็เคลื่อนไป ลอก็เหมือนไปลอก็เหมือนไปก็ถึงจุดหมายปลายทางไม่เกี่ยวกับหลุมกระบอกโค้งซ้ายโค้งขวาลงเนินขึ้นเนินไม่เกี่ยวเกี่ยวขับรถเปน็นก็สะดวกทั้งหมดนี้ผ่านได้รถจะติดแล้วก็แซกแซกสอดสอดเข้าไปบางทีก็หลบซ้ายบางทีก็หลบขวามันก็ขับถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันหลายคนก็ติดวิ่งผิดเลนอย่างเงี้ยแต่ของเราเรามัดระวังอยู่รู้ร อ, อบคอบ พอจะไปได้ก็ค่อยๆไปบางทีมันมีความง่วงเวลาปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆไปหรือบางทีก็ต้องหลบซ้ายหลบขวาไปเลยเปลีย่ยนเสียงบทไปก่อนก็เป็นเรื่องของผู้ที่ฝึกเนี่ยต้องมีประสบการณ์ของใครของเราเทคนิคปฏิบัติพาตัวเองออกมาจากอารมณ์ตัวนี้เรามาทำบ่อๆเกิดความชำนาญมันก็จะสนุกกับการปฏิบัติธรรมแป๊บๆหมดวันละ แป๊บๆก็ทําวัดสวดมนต์ีกแล้วเช้าเย็นเช้าเย็นรู้สึกสนุกตื่นตัวดีขณะที่รู้สึกตัวเป็นการปลุกจิตให้มันตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาจากที่นอนในชั้นที่หนึ่งแต่บางคนยังหลับอยู่ในความคิดหลับอยู่ในความคิดมาอย่างความคิดยังครอบงำได้ก็ยังละเมออยู่ฝันกลางวันอยูอย่เราจึงต้องปลุกตัวเองปลุกจิตให้มันตื่นขึ้นมาอีกชั้นก็คือรู้สึกตัว คนใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยรู้สึกตัวที่เป็นพยาบาลมาจากโรงพยาบาลบืบ่ใหญ่นะครนี้ความรู้สึกตัวคืออะไรก็คือนะการที่เรากลับมารู้ตัวกายของเรารู้ว่ากำลังนั่งอยู่ตอนเนี้ลมที่มันเข้าลมที่มันออ ก, กทั่วไปจมูกนั้นเป็นความรู้สึกละเอียดนิดนึดนงครนี้ท้องพองยบอันนี้ก็ละเอียดอีกหน่อยเลยครนี้ก้นที่สัมผัส พ, พื้นก็ละเอียดอยู่เหมือนกัน คร้นี้มาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกเองนะอย่างเราจะเห็นบางคนบางท่านก็เคลื่อนมือรู้สึกตัวนี้มันหยาบดิมีตัวเจตนาเป็นตัวกากับเป็นตัวกาหนดนิดนะเบื้องตน้นเรืรถมันไม่ติดก็ต้องใสหมันหน่อยยอมที่จะเข็นมันหน่อยสตาร์ทเองติดมันวิ่งเองนะทาลองนีกวนะ็ว่าได้เียเราก็จึงมาฝึกมาหัดกันออกมาจากความคิด เพราะถ้าเราไม่ออกฝึกออกมาจากความคิดเนี่อันตรายห้าเดือนที่ผ่านมาในประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตายอยู่ประมาณพันกว่าคนประมาณพันห้าร้อยคนเราเฉลี่ยดูในประมาณห้าเดือนเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ละกี่คนฆ่าตัวตายนะในโลกนี้ประเทศญี่ปุ่นปีละสามหมื่นห้าพันคนตายเยอะจริงๆ แถบสแกนดิเนเวียือวาอีกหลายประเทศที่เข่งคลัตต่อาศาสนาต้องมีผัวเดียวเมียเดียวเมนะี้ยบางทีสามีตายจากพัดพลาดจากของรักของชอบใจ ว, ว้าเหวเศร้าวิตกกังบลอยู่ไม่ได้เลยเหงาแล้วก็สับสนต่อชีวิตที่จะเดินต่อไปไม่มั่นใจในตัวเองหลายคนก็ฆ่าตัวตายมนาะเยอะจริงๆ ก็คือไม่มีวิชาฝึกสติพฐานคืนนี้แหละที่โอสมเด็จสามารถจเจ้าค้นพบคืนนี้แหละวันวิสาขาบูชาก็คือสามารถที่จะเรียนรู้จักตัวเองกลับมาสู่โลงความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจจันเป็นวัตถุรูปนามขันธ์หน้าวนะัตถุรูปธรรมนามธรรมความคิดนี่ก็เป็นวัตถุนงะ คิดถึงหน้าพ่อหน้าพ่อก็พอมาคิดถึงหน้าแม่หน้าแม่ก็พอมาคิดถึงคนรักมันก็มีความสุขคิดถึงคนเกลียดก็มีความทุกข์ทันทีทันใดเลยคิดถึงสถานที่ที่เราเคยชอบเคยไปคิดถึงห้องทํางานคิดถึงอะไรก็ตามมาันมาทันทีเลยคิดปั๊บมาปุ๊บคิดปั๊บมาปุ๊บเลยมันเป็นวัตถุต้องทําให้เกิดอารมณ์สุขๆุทุกทุ ก, ทกพอใจไม่พอใจยินดียินไลชอบไม่ชอบ มันเกิดขึ้นมามันเป็นวัตถุแต่เขาเรียกว่านามรูปนามรูปในวบบการรมฐานก็คงจะได้เจอแล้วนะนามรูปนะีมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาทียิบเลยในจิตวิทยาเ้าจับความคิดของเรานะตื่นยันหลับว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเราคิดกี่เรื่องก็จับได้คิดไม่น้อยกว่าวันละหก0 0ืนเรื่องอนะ่ะโอ้โหมันเยอะนะ่ บเกิดดับเกิดดับราฟมันจะขึ้นมามันก็จะเก็บไว้ในเครื่องดิจิตอลตัวเลขหนึ่งสสามสี่ห้ามันเยอะจริงๆวันๆที่เผลอคิดเผลอหลงไปเราปฏิบัติธรรมก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้แหละมันคิดเท่าไหร่แล้วกลับมารู้สึกตัวมากเท่านั้นพอสติมันเจริญเติบโตขึ้นมารู้เท่ารู้ทานความคิดความคิดก็เลยหมดพลังเลย แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวขาดสตินะมันก็มีพลังนะแ ป, ป๊บแ ป, ป๊มันก็ลืมเนื้อลืมตัวเจนกจะทั้งเกิดอารมณ์ขึ้นมาใหม่ทั้งๆ ท, ที่ก็เมืมีใครมาทําให้เรานะคนที่เขาทาก็ทำเราครั้งเดียวแต่เราเก็บมาคิดมาทําไมเขาทากับเราทําไมเขาทํากับเราไม่น่าจะทําอย่างนั้นไม่น่าจะทําอย่างนี้เวลาหลายๆครั้งแต่เราก็ไม่เคยเหมือนกับว่ากลับมาเอะใจว่าตัวเองทําให้เริงทุกข์อย่างนี้เลย พอปฏิบัติธรรมเราก็จะได้เห็นว่าโอ้วันทั้งวันเนี่ยมันมีอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆที่เกิดมาจากความคิดเน่ยเยอะจริงๆหลวงปู่เทียนเจียโพเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านการจริตปฐาน่สานตอนบนจังหวัดเลยแต่ก็ชี้นาให้พวกเราเนสร้างกระแสให้พวกเราเนะคล้ายๆการรับรู้ข้อมูลรับรู้รับทราบแล้วก็น้อมเข้ามาปฏิบัติ ให้เห็นการเคลื่อนการไหวของกายทั้งกะตื่นยันหลับจะทําอะไรก็ตามให้มีความรู้สึกตัวจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่ายจะกู้เหยียดเคลื่อนไหวก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเอามาเป็นความรู้สึกที่ตัวที่เนื้อที่ตัวให้หมดเลยก็คือการกลับมาดูตัวเองเรียกว่าสติปัฏฐานสติจึงมี2องชนิดก็คือสติสัญชาตะยาน สติสัญญณจะยานกสติไปรู้เรื่องราวของชาวบ้านกันรู้ทางตาทางหูนะเ ร, น เ, รนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปรู้นอกตัวสติปัฏฐานนี่กลับมารู้ที่ตัวตัวกายตัวใจรู้กายรู้ใจมากทน า, ายก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางมากตอนนั้นเดินทางสู่การพ้นทุกข์นะเขินสู่สภาวะจิตสู่สภาวะปกติของจิตต่อไป เดิมทีแล้วก็ปกติอยู่แต่ว่าข้อมูลจากสังคมชุมชนต่างๆที่มอบให้พ่อแม่คนที่รักเราปรารถนาดีกับเรทีให้ข้อมูลไม่ถูกบางทีเราก็เรียนรู้แต่ว่ามันก็เผลอหลงก็ไปยึดในการต่างๆบางทีเกิดความบาดกลัวขึ้นมาเช่นบางทีในะโรงพยาบาลนะคนตายมากเลย แต่เพอแต่งชุดพยาบาลเราก็ยังไม่กลัวคนตายไม่กลัวผีแต่วันนี้ถอดชุดกันแล้วมานอนที่วัดนะนานๆมีคนเผาทีในวัดหลายคนจะ ก, กลัวผีในวัดเนี่ยนะก็คือกลัวมีการปรุงแต่งแล้วเด็กๆมาดูหนังผีมากหรือว่าตอนโตชอบดูพี่มากขาพี่มาขาเงนะดูลำก็กลัวก็เก็บเอามาปรุงแล้วคืนนะ่ะมาวัดคืนแรกจริงๆมันกลัว เกิดจากความคิดในตัวของเราเอง น, นั่นเองความกลัวมันเกิดจากความคิดของตัวใครตัวเรานะแล้วนะแต่จิตมันจะสร้างภาพอะไรก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ข้อมูลในใจของเรามันเคยประทับข้อมูลมันก็จะเกิดการเทียบเชียงมือทีก็เห็นหน้าคนก็กลัวเพราะมีคนเคยทากับเราเจอตุ๊กแกงที่ก็กลัวมางคนเจอตะขาบเจอกรบเจอไส้เดือนมือทีบางคนก็กลัวเข็มฉีดยางกลัว ทั้งทงที่บางทีมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะพอฉีดยามก็ความเจ็บปวดถ้ากับมดแดงกัดแต่ว่ามันก็กลัวไปก่อนนะนะเข็มแหลมแลมอเงี้ยทิ่มทะลุทะลวงเข้ามาเสียลไส้บางทีก็กลัวหมอฟันอะนี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรในอย่างเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆมาเคยกลัวคนก็ถอดฟันปลอมโยมจําไม่ลืมเลยนะคนใส่ฟันปลอมมากลัวมากๆเลยเวลาถอดนะ ปากนมบมบมบมบเหมอนหมอบมูกระเบนชื่อตาแดงตาแดงเขาอยู่ที่วัดนาทควันเสร็จแล้วเวลาไปทําบุญเนี่ยชอบไปหาตาแดงแล้วตาแดงเนี่ยชอบถอดฟันปลอมหลอกเด็กเนี่ยเรก็ชอบแย่กันแล้วก็พากันวิ่งหนีอะโยมแล้วมันมาก็กลัวคนที่ใส่ฟันปลอมตลอดเลยแล้วตอนหลังเป็นไงล่ะตัวเองก็ต้องใส่ฟันปลอมเหมือนกันบางทีไม่เห็นกลัวตัวเองเลยเนาะโยม มันเห็นไปหยอแล้วมันโตขึ้นมันเห็นเออมันก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่ใส่ฟันมันก็เลยชินไปตอนตัวนะก่อนหน้าในกลัวจริงๆลุงทีก็กลัวคนแก่เน่ยนะหน้าเขาจะยน่นๆแล้วก็หนังก็เหี่ยวๆคนแก่นะั่นหน้ากลัวที่สุดเลยอย่างยายเพี้ยนงั้นนะหน้ากลัวนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมากลัวๆไม่รู้เป็นยังไงกลัวคนแก่กลัวเข้าไส้อนะไรเห็นคนแก่แนละสมัยก่อน ไปหาปู่ย่าตาทวดนะเธอทิ้งให้อยู่สองคนนะวิ่งเลยไม่อยู่ด้วยหรอกแต่ถ้ามีหลานหรือว่ามีาคนที่อา ย, ยุน้อยเอเล่นกันได้อยู่กันได้อยู่คนแก่อยู่ได้อันนี้เป็นความฝังใจยะนิดหนึ่งแล้วก็กลัวอย่างคือตอนหลังนะกลัวเป็นความกลัวที่ดีขึ้นก็คือกลัวทําให้คนอื่นก็ทุกข์เพราะเราอันนี้เป็นความกลัวที่พัฒนา มันเป็นความกลัวที่มันมีสติแล้วก็เห็นว่าความกลัวมีประโยชน์อยู่นะขยันหลงนี่ไม่ดีถ้าขยันโล่นี่ดีถ้ากลัวสัตวาราสิ่งกลัวผีนี่ไม่ดีถ้ากลัวทุกเนี่ยดีกลัวความยากความจนนะดีจะได้ขยันทํางานทําการลงไปอย่างนีนะ้ง่วงนี่ไม่ดีแต่ถ้าเพีเดี๋ยวคืนนี้นอนแล้วไม่มีความง่วงแย่เลยตาค้างตั้งคืนล้คืนนะี้นอนไม่หลับ เพราะนั้นการมีสติมันรู้จักอ๋อเอาของไม่ดีมาเป็นประโยชน์อย่างเงี้เอาอุจจาระมาเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยเกิดประโยชน์ขึ้นมามีดซักอันเอาไปทำประโยชน์มามาปลอกต้นไม้มาเสียมไม้ให้มันแหลม ท, ทําที่ผักปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยอันนี้ดีแต่ถ้ามาสับต้นไม้เล่นเดินไปไหนมาไหนเอาไปสับหินเล่นอย่างงี้อันนี้ไม่ดีมันกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่มันควรจะใช้ใเกิดประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ี้ ทักขาสตินะความรักก็จะเป็นความร้ายทันทีหรืว่ความร้ายนี่ก็จะเป็นความรักทันทีคนที่เราเกลียสุดๆเวลามีภัยขึ้นมาอาคตินะแต่ต้องการเพื่อนนะกลายเป็นดีกับเขาลลเลยแหล่ใส่อะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็ได้เห็นกันเวลามีสติเนีย่ยมันก็เกิดความฉลาดขึ้นมาเห็นรูปทํานามทําม น, นี่แหละจะถ้ามันเห็นว่าควรจะทําอะไรที่เป็นหน้าที่เน่ยมันก็จึงเหมาะ คนที่มีหน้าที่การงานต่างๆหมองที่จะเริยนสติมันจะมีสติคมชัดจัดระเบียบความคิดระเบียบวาจาระเบียบของกายทาอะไรลงไปก็ไม่เสียใจในภายหลังันเป็นอาการของการที่เราได้ฝึกสติแล้วก็มีอ น, นิสงส์สติเกิดขึ้นมาอันนี้เกิดประโยชน์จริงๆเราก็จึงจะมากี่วันก็ตามนะหวัน2วันสามวันกี่วันก็ตามขอให้ใส่ใจกับการปฏิบัติเอาไว้ เรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวแล้วก็ใช้ชีวิตเงียบๆพยายามที่จะไม่คุกคียกันแต่พวกนี้อาจจะมีการคุกคีกันบ้างเพราะว่ามีกิจกรรมบวชป่าถ้าฝนตกก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะบวชยังไงก็ต้องรอฝนหายแลฝนหายหตอนไหนก็คงจะต้องช่วยโอกาสกันตอนนั้นเสร็จแล้วคงจะมากันแป๊บๆนาแล้วเดี๋ยวพอปลูกต้นไม้เสร็จทํากิจกรรมเสร็จแป๊บๆก็คงจะต่างคนต่างไปกันเราก็ต้องมีความรู้สึกตัว ใช้กายของเราเคลื่อนไหวเดินไปไหนมาไหนก็ทบทุกข์สำไตรก็รู้สึกตัวมันจึงไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่เวลาปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวกับว่ามีกายแล้วรู้สึกตัวหรือเปล่ามีจิตมีใจรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าเวลาจิตใจมันขยับมันว่ามันไหวอรู้ไหมเวลาจิตมันแสดงอาการต่างๆออกมาด้วยเวลามันคิดมันฟุ้งซ่านมันลังเลสงสัยมันมีความม่วง เป็นอาการของจิตทางนั้นเลยเรารู้สึกตัวอยู่หรือไม่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ก็แสดงว่าเออเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วมาได้เกี่ยวกับชุดชุดไหนก็ตามบวชไม่บวชก็ไม่เกี่ยวแต่การบวชนี่ดีอย่างมันดีในแง่ของการสร้างกรอบทําให้เราอยู่สะดวกสะดวกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างประหยัดเช่นประหยัดอาหารอย่างไงนะ ประหยัดที่จะใช้วัตถุนึงสองสามบุคคลหนึ่งสองสามประหยัดที่จะใช้เวลาไปทําประโยชน์เรื่องนอ ก, นอกตัวบัตรนี้มาทำประโยชน์เรื่องในตัวประหยัดเวลาเคยอยู่ข้างนอกพูดมากๆอย่างนีอยู่ในวัดก็พูด น, น้อยๆถามคําตอบคำํำหรือว่าบางทีก็งดพูดเพื่อภาวนาประหยัดการใช้โทรศัพท์มันก็เป็นการประหยัดเงินประหยัดทรัพย์ไปด้วยแล้วก็ประหยัด โรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดจากโทรศัพท์มันก็จะช่วยให้เราเหมือนกับว่าได้พักผ่อนผ่อนลายระบบประสาทระบบหูระบบสมองนะมันได้พักพอใช้โทรศัพท์มากๆเนี่ยมันขื้นสวัตนมันแรงนะมันยิงสมองสมองอักเสบได้รวขึ้นอ e ิเล็กทรอนิกส์อยู่ในห้องนอนพวกนี้อันนี้เขาวิจัยแล้วไม่ดีเลยมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีทีวีในห้องนอนด้วยไม่ดีถ้ามีจะลองชักปลักก๊กออกให้หมดก่อนนอน งั้นคลื่นมาเล่นงานเราเดี๋ยวนี้มันยกจีโนมิก n a นาโนเทคมันเป็นนวัตกรรมย่อโลกนะโลกาภิวัตน์วนะเราก็ใช้สื่อสารมวลช น, นย่อโลกเข้ามามันก็จึงบางทีก็มีบทสนทนาต่างๆกับคนนอกตัวมาที่นี่เราก็พยายามนะแต่ว่ากลุ่มโรงพยาบาลบัวใหญ่โทรศัพท์พยายามยไม่ใช้กันมาอยู่ที่นี่สองวันสาวันนะใช้ส่วนตัวส่วนตัวกัน มาศึกษากายศึกษาใจของเรากันผ่านความรู้เนะื้อรู้ตัวรู้สึกตัวยังไงนะอัตราส่วนของคนที่ฆ่าตัวตายนะผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายเยอะอัตราส่วน2ต่อหนึ่งผู้ชายฆ่าตัวตายได้สําเร็จอัตราส่วนสองต่อหนึเหมือนกันฆ่าตัวตายด้ยวยวิธีการรุนแรงแล้วก็ความคิดเนี่ยมันเป็นลนักษณะของภัยที่เรียกว่าวัตตางสงสาร คิดแล้วก็ฆ่าตัวเองคิดแล้วก็ฆ่าผู้อื่นคิดแล้วก็รอดแล้วคิดคิดแล้วก็โกรธคิดแล้วก็ก็หลงคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็ชังพวกนั้นคิดแล้วก็สุขคิดแล้วก็ทุกข์มันเป็นวตาสงสารภัยที่เกิดจากความคิดทาให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวอันนี้ก็คือมันห้ามมรรคผลนิพพานทันทีแต่เราหลงอยู่กับความคิดมันเป็นเปลยเป็นสติโกเป็นอาสุลกายเป็นอาบายภูมิเป็นภพภูมิเสื่อมภพภูมต่า หรือมันทิ้เป็นภพภูมิที่เรียกว่าเทวภูมิสุขติภูมิอ่ะนะอยู่ในความคิดสมมติคิดดีทั้งหลายเนี่ยเป็นบนุญพวกนะี้มันเกิดในความคิดทั้งหมดเลยโลงความคิดมันสร้างโลกที่เรียกว่าสุขติภูมิขึ้นไปคราวนี้พอเรารู้มันก็เลยทําดีทั้งวันแต่ไม่ต้องเอาสุขก็ได้ไม่ต้องเอาความดีมาใส่ตัวก็ไนดะ้ทำดีทิ้งไว้ให้กับโลกกันนะีมันก็ดีเรียกว่าทําดีแบบพระเลยพระนี่ทําดีทั้งวันคิดดีพูดดีทําดี ทำงานทําการขยันขันแขน็แขไงไม่จะเป็นคนขี้เกียจขี้คันแต่ว่าทําให้กระโลกไม่ได้ทํำเข้าตัวไม่ได้ทําแล้วก็หวังตําแหน่งอาจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นไม่ใช่หรอกทําแล้วก็แล้วไปทําแล้วก็แล้วไปมีเหตุปัจจัยให้ทําก็ท ำ, ทำ เ, รเรียกว่ากรรมฐานทํางานทั้งวันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นการทํากรรมฐานคิดพูดทําไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียเบียนผู้อื่น คิดให้เกิดความสะดวกความสบายเกิดความสวยงามและเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากว่านั้นจะคิดไปํำนองนั้นละเหมือนกันลมพ่อเขียนของเราปีนี้ท่านได้รางวัล น, นักอนุรักษ์ดีเด่นพระในประเทศไทยนีลอมพ่อเขียนไปดูโล่มาวางอยู่ที่กุฎหลงตะกรมปกติถ้ารับมานต้องแห่รอบบ้านรอบเมืองให้ชาวบ้านรับูลเวลารับพัดยศที่นี่ไม่มีหรอก วางกระตั้งเอาไว้เหมือนวัตถุอื่นๆนั่นแหละหมนแก้วน้เหมือนกันธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายนยตัวเล็กๆให้รับก็ไปรับเออเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นทำไมถึงต้องไปรับก็เพราะว่าเออเขาก็บอกให้ไปรับเาก็ไปไปแล้วก็ธรรมดาธรรมดาก็ได้เห็นว่ากิจกรรมก็ทำอย่างไรเวลารับเสมาธรรมจักรทองคำ มันเป็นยังไงอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นแบบโลกๆส่วนใหญ่คนทํางานทางโลกก็ต้องการกันมากเลยนะแต่บางทีก็ซื้อเอาด้วยนะเพาว่าไปยัด ๆ, ๆขอให้ได้ตาแหน่งหน่อยขอให้ได้รับรางวัลหน่อยมันก็มีอะไรมากมายเหลือเกินที่มันแตกต่างจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นการทํางานการทํางานและเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมแล้วเป็นการทํางานก็ต้องนะีฝึกกรรมาฐานจนชํานาญเสียก่อน ไม่งั้นมันทุกตายเลยทำดีแล้วก็ไม่ว่าดีทำดีไม่ถึงดีทำดีแล้ว ม, มีใครชมว่าดีไม่ให้รางวัลทำดีแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าอย่างเงี้ยเรียกว่าทำดีทั้งน้ำตาการงานอะไรได้เจอแนะแต่พอฝึกกรรมฐานเออแล้วแต่เขาอะเรารู้ว่าเราทำดีกับพอแล้วเราทำอย่เรารู้ว่าเราทำหรือว่าทำให้กับโลกกับพอแล้ว ไปได้ทำเพราะว่าแหม่มมีลาบสการ์แล้วทำราว่ามันมีดวนมีทองเข้ามาเป็นช่องทางหรกอบโกยงั้นมันก็คงจะลงนรกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของเราทําดีทําบุญเพื่อมรรคผลนิพานกันนิพานมันไปทางไหนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะนิพานนี่นิพานเนี่ยมันเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยภาษาบาลีนิพานเนี่ย ภาษาไทยของเราก็เรื่องธรรมดาธรรมดาความเย็นธรรมดาธรรมดาที่มันมีอยู่ภาษาความเย็นใจเนี่ยเขาเรียกว่านิพานจิตปกตินะเรียกว่านิพานก็ว่าไดา้ถ้าคิดว่านิพานเป็นของน่ากลัวนะมีใครไปกันหรอกเลือกคิดว่านิพานเป็นของนี่โอ้ต้องรอตายแล้วไปก็มีใครไปกันหรอกนิพานต้องเดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยขณะนี้เลยนิพานก็คือไกาวาจาใจของเราเป็นปกติ จิตปกติก็คือไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบนะจิตสุขไม่ใช่ปกติจิตทุกข์ไม่ใช่ปกติจิตธรรมดาธรรมดาสามัญสามัญเฉยๆอยู่แต่รู้เนะี่ยคือลักษณะอ า, าการของนิพพานเบื้องต้นคร น, นี้จะมากจะน้อยอ่ะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่เราฝึกมากฝึกน้อยรู้สึกตัวทําเป็นแค่ไหนอ่ะถ้าเราเฝ้าดูเก็บอารมณ์เข้มหน่ยนะรู้ได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงแนละ้วมันก็วันทั้งวันก็มีแต่สภาวะของจิตปกติได้นานๆ น, นะ แต่ว่าบางทีมันก็จะปกติบ้างไม่ปกติบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามันกําลังฝึกกําลังเดินทางอยู่มีพัฒนาการก็เป็นเรื่องธรรมดาของนัปฏิบัติกรรมฐานจะทําทถึงแล้วเราคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ก็หรอกต่างคนก็ต่างไปเผยแผ่กันบอกความจริงสู่โลกให้โลกได้รับรู้เกิดการตื่นขึ้นมาว่าโลกนี้มันหลับไหลแล้วเกินหลับไหลเห น, นโลกของกลามกินเกียรต วัตถุกรรมาคุณลต่างๆมันครอบเงาอะวัตถุนิยมบริโภคนิยมนีมันเป็นเรื่องของการที่เราหลงเผลอไม่มีใครชี้นำหรือว่าเราสามารถจะเตือนสติตัวเราเองได้ต้องรอให้ทุกข์ก่อนเวลาจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมต้องรอให้ทุกข์ก่อนถ้าเวลาสุขนะเราก็ไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจกันดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นแสงสีที่ไหนไปที่นั่น รั่ววัตถุนิยมที่ไหนไปที่นั่นมีห้างที่ไหนเปิดใหม่ก็ไปที่นั่นสะดวกซื้อสะดวกใช้ที่ไหนแล้วก็เรียกว่าไปรับบริการใช้บริการกันเต็มที่เลยแต่มาที่นี่วัดป่าสโสตว น, นเป็นครั้งหนึ่งละที่เราจะได้เห็นวัตถุ ก, กายใจของเราเนะี่ยมันน่าสนใจทีเดียวถ้าเรามาสนใจเรื่องร่างกายของเราจิตใจของเราเนะี่ยมันจะสามารถใช้ชีวิตในโลกนี้ได้อย่างผาสุบ เรื่องกายเวลาปล่วยกายมันเป็นยังไงอะปวดหัวตัวแล้วไม่สบายใกล้หมอเขาดูแลรักษาก็าจึงมีสารนาสุขขึ้นมาฉีดดมอมทาผ่าตัดเกี่ยวข้องอย่างดนะอย่างมาในวัดนี้ก็จะมีร่างสารพิษอนีสุขภาพกายสุขภาพกายหลายคนก็สนใจก็อยู่ทีไปเดินดูป้ายนน่าสนใจดีแล้วก็ติดต่อสอบถามกัน แล้วก็สนใจกันอะไรประเภทนี้อนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจก็คือเวลาใจของเรามันป่วยความกรธเนี่ยถือว่าคนป่วยใจมันป่วยมันมีความโลภมากๆใจมันป่วยเครียดมากๆใจมันป่วยมีความสุขความทุกข์แล้วก็ชอบหลงเผลอเข้าไปจนทั้งลืมเงืลืมตัวเนี่ยมันป่วยทางจิตบางทีก็เรียกว่าออสองขั้ว พฤติกรรมสองขั้วที่เกิดขึ้นมาในจิตบางทีก็มีกำลังใจขึ้นมาวันนี้รู้สึกว่าคึกคักมีความคึกคักรู้สึกแหมโลกนีมน่มันน่ายู่สดชื่นกระดีกระดาววีดว้กระตูหูแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็กมเงินสดไปเดินห้างจับใจใช้สอยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนน้นพอกลับมาบ้านบางวันก็เซ็งเบื่อนอนซมหมดเลี่ยวมาแ้ง บางทีก็หวเลาะบางทีก็ร้องให้อันนี้พฤติกรรมสองขัวงว ula, รรง้วทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าไพโบล่าไพโบล่าพฤติกรรมสองขั้วทางจิตคือสภาวะไม่มีตรงกลางเลตรงกลางปกติไม่มีแต่ว่านั้นปกตินะจะเรียกว่านี้พ่านชิมลองก็ว่าได้ทุกครั้งที่รู้สึกตัวในใจมีสติอยู่กับกายนะ ใ, ใจมันชอบหลงสติอยู่กับความคิดใช่ไหม普ชนคนทั่วไป ตากนี้เรามาอยู่วัดป่าสุโกโตสถาบันนิพานฝึกแนวเคลื่อนไหวแบบห ล, ลวงประเทียนจีนโปทันชี้นำมาแว้กายเคลื่อนไหว ใ, หใจรู้กายทำไรใจทำด้วยทุกครั้งที่ใจมันมีสติอยู่กายมันจะเกิดความเป็นปกติน้อยๆขึ้นมปทุกครั้งนั่นแหละที่รู้สึกรู้สึกรู้สึกเราเก็บหอมรอมลิษ ต, ตัวปกติตัวนี้ตัวความรู้สึกตัวนี้ให้มันมากขึ้นมากขึ้น หมอประเวศวัสีใช้คำพูดดีว่าปุถุชนคนทั่วไปะนะหมอแม็ซไซ์วันแม็กซไซ์ของประเทศไทยปะถุชนคนทั่วไปอชอบหลงโัวกความคิดทั้งวันเลยเพราะนั้นมนุษย์ทุกๆชีวิตต้องรู้จักวิชาเจริญสติปัะฐานไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้ในประเทศไทยก็ยต้องรู้จัก ไม่เช่นนั้นชีวิตคนจะมีความผาสุกเสแมสารในชีวิตเลยไม่มีแต่ความหลงและหลงก็เป็นในความคิดทุกทั้งวันเลยทุกที่เกิดจากความคิดนะคิดแล้วก็มีความทุกคิดแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นให้เรารู้จักวิชาสติปัฏฐานจะรู้ลมหายใจเขาเรียกว่าอานาปานาสติการเคลื่อนการหวนี่เขาเรียกว่าสัมยะภะอย่างนี้นการนั่งการเดินจงกรมการยืนการนอนนั่นเรียกบทใหญ่4นะครับ หรือว่าการรู้ทันความคิดรู้ทันความคิดเรียกว่าจิตปะทรู้เวทนาที่ปรากฏขึ้นมาอาการเจ็บปวดเรียกเวทนาปะทะได้ ร, รู้อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนื่องจากธาตุสีประชุมกันพอดีบ้างไม่พอดีบ้างเรียกว่าธาตุปะพทะมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นให้เราฝึกการเคลื่อนการไหว้ารเกิดา น, นหลับเรียกว่าสัมมัญญาปะทะ อันนมันจะเกิดประโยชน์ทีเดียวยิ่งมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจิตของเราจะมีกําลังใจขึ้นมากาลังภายในจิตใจเรียกว่าพระเนี่ยถ้ามีแล้วเราก็ใช้ชีวิตพรหมจรรย์ไปเลยบริสุทธิ์บริบูรณ์เส้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะอัฏฐะหมายถึงว่าความลึกซึ้งเวลาจะทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรมันลึกซึ้งแสดงออกเป็นภาษาคนเกี่ยวข้องกันก็นกลึกซึ้งเหมือนกันนะมันจึงมีคุณธรรมจริยธรรมมีศีลธรรม อนี้อันนี้คือความงดงามสวยงามและความลึกซึ้งของคนโบราณที่พยายามสื่อทอดศาสนาอย่างเราหันไปข้างหลังตอนนั้นจะมีธงฉับพันดังสีก็เนี่อันนี้เป็นความสวยงามทั้งนั้นเลยที่ฐิศนามีความหมายใส่ลงไปเป็นความลึกซึ้งเรียกว่าอัตถะแล้วก็แสดงออกมาให้เราได้เห็นทางตาหูวเพยัญชนะที่เราสวดมนต์ทำวัดกัเหมือนกันภาษาบาลีอย่างเดียวไม่พอแปลเป็นไทยด้วย แปลเป็นไทยไม่พอต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวมันกลายเป็นความลึกซึ้งในตัวเราเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมะนี่เราก็จะสามารถพึ่งกายพึ่งใจของเราได้ต่อไปมีสติมีสมาธินะมีปัญญาพวกนี้เรียกว่าเดินทางสูงม่มรรคผลนิพพานเราก็ใช้สตินะมีสติก็มีศีลนะเป็นศีลปรณัฐสภาวะมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาอย่นี ทุกอย่างก็จึงรวมแล้วอยู่ในความรู้สึกตัวเราก็จึงมารู้สึกตัวกันอย่างนั้นนะเห็นว่าสมควรเก่เวลาเดี๋ยวคนมาใหม่ก็อยู่ที่นี่ต่อหอน้ารบัเอใหญ่จะพาฝึกปฏิบัตธรรมกรรมฐานเข้มกันแยกย้ายกันไปปฏิบัติกันต่อคนที่มากิจกรรมอื่นๆก็อยู่ใครอยู่เราไปด้วยความเงียบสงบอย่างนั้นน ะ, ะเดี๋ยวเรากลับาพร้อมกัน